นี่มันแน่นก็แน่นก็จะทำยังไงล่ะบูติมาศึกษาอบรมออกมาสมควรแล้วก็ต้องขยับขยายน่าแน่นตุกวันตุวันทั้งหมดมีเท่าไหร่นี่พระทั้งพระทั้งเน่นประมาณสี่สิบนู่นเยอะเย่อเยอะเย่อเยอะเย่อจะทำาไงผมก็ยิ่งกำลังวังชาไม่มีเจะแล้วเดี๋ยนี่ อยู่ลําพังอยู่ของมันก็รู้สึกว่าหนักอยู่แล้วจิตมันหดเข้ามาหดเข้ามานะมันไม่เป็นเหมือนแต่ก่อนอีสองปีมานี้รู้สึกในเป็นความรู้สึกกันหนึ่งอยู่ในจิตนี้มันหดเข้ามาหดเข้ามาว่าตัดขันละพาให้มันเป็นก็ดีเบื่กัะลังแล็กมาเรื่อยเรื่อย มันมีมากแล้วมันยงมีเรื่องเนี่ยให้เรื่องหนึ่งก็เรื่องหนึ่งจนได้นะให้เรื่องกิเลสมันออกรวดเร็วที่สุดนะทำไม่ไม่ทันทํายังนอนไม่ตื่นกิเลสออกเพ่นพ่านยุ่งกวนทําลายไปทุกอย่างผลนั้นรวดเร็วยิ่งกว่าอะไรแล้วเรื่องกิเลสก็ยังหยาบๆก็ยังที่ทะเลาะกันนั่นสิ นี่เป็นเรื่องหยาบที่สุดเป็นเรื่องของโลกโลกเขาแต่แม้มันยังมาเป็นไปได้ในวัดในพระในเ น, นมันมาถือมันเป็นของดีจนได้เรื่องความทะเลาะมันเรื่องหยาบโลนที่สุดแม้แต่ทางพราหวณ์เขาก็ยังถือกันอพระยังมาถือเป็นของดีมาทะเลาะกันได้นี่นี่ ยี่สี่สิบหสิบจะอยู่ที่ไหนมันก็ยิ่งคับยิ่งแน่นหาความสงบสงัดมันก็ไม่ได้ผ ม, มาัาพออยู่เก่าก็เป็นแบบหนึ่งอก ม, มาใหม่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบทั้งสองแบบนั้นไม่ใช่แบบกินหน้าไว้ใจไม่ใช่แบบกิ่หน้าอบอุ่นเย็นสบายสำหรัวหน้า น, ะ น, าน้ําหมุกเพื่อนอยู่ด้วยกันก็ดีมันเป็นแบบอย่างว่าหนั่นแหละ ว่าแบบยับแบบผีก็ว่าได้เรื่องแบบีิเอดไม่ใช่แบบดีมันักเป็นอย่างนั้นมั น, นเนี่ยมาตั้งใจมาศึกษาศึกษาจริงจริงมันก็ดีสิ วันนี้มนไม่เห็นมีกินมีจังอะไรพอให้หนักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยู่เฉพาะเราไม่กับพอแล้วนั่นอะไคิดอะไรยู่อะไรหรอยุ่งจะคลับขันจะของนี่ก็พอวันหนึ่งวันนึงอย่างเอวนี่มันก็แข็งเดี๋ยวนี้าไปใช้ยทเลข่าวที่แล้วนี่ โรงพยาบาลหมอปัญญาเนี่ยก็ก็บอกว่าปูนจับอยูทุกแห่งต้องหุ่นทั่วกระดูกหลังตั้งแต่เอวขึ้นไปนั่นอย่างนั้นนะปูนมันเกาะอยุงมดจับยุงมดเอาขี้เบา่นั่นแหละที่มันเจ็บหลังเจ็บเอวก็นั่นแหละมันไปทั่วหมดจะว่ามันเจ็บหลังยังไงเจ็บเอวยังไง ม, มันเป็นเอวแข็งไปนะหอ้นี่นั่งไม่ค่อยจะสนิทอย่านั่งพอนหน้าก็นั่งยยอย่างสบายๆอย่างแต่ก่อนไม่ได้ต้องพิงอ่ะแม้จะ น, นั่งก็ยังแข็งไปเวลาออกมาสือถ้าเราคงจะนั่งไม่ได้มันแข็งไปหมด กันหินปูนอยู่ก็ว่านี่นะมันเกาะติดอยู่ตามกระดูกหลังมันเป็นพืชไปหมดเอาไปวัดทํามของเพลตานั่งก็ได้พิจารณาถึงเรื่องหมูเรื่องคณะเหมือนจะไปเหมือนก็ว่าจะไปเหมือนก็ไปปรองธรรมะสังเวชหนึ่งเหมือนกันมันนักเป็นในจิตหนูตาสัมผัสสัมพันธ์ไปที่ไหนอยู่ไหนมันอดคิดไหมนะ หนาท้งสารหมู่เหมือนปลาเต้มเป็นร้อยมาจากที่ต่างๆวันนั้นเราก็ได้กุศลเทศใด้ฟังถึงจะเมื่อจะเพียกวก็าตามเพอราะคว้งศารนั่นแหละไรไ้ในกุศลเทศใด้ฟังถึงไม่ได้เข้มข้นอะไรนักก็อพอเป็นคติคติเทศไปเรียบๆธรรมดาตามธาตุการมันอํานวย เจ็ดถึงทำบ้าสูงสุดเหมือนกันหรือไม่มีผู้นําเป็นประธานลำพังมันจะเป็นไปได้อย่างไรนี่ทําให้คิดมากนะพระเนนมานั้น์เขาเรียกว่าเศรษฐหนึ่งส่วนพันส่วนหมื่นเศรษฐหนึ่งส่วนหมื่นก็ได้ของพระของเนรทั่วประเทศไทยที่มานั้นเ์เดย ทำให้อำมาตพิปเชนาเทียบเคียงดูถึงผู้นำแต่ละก๊กละก๊กละก๊ะ ก, กนี้ต้องมีผู้นำผู้นำผู้นำนั้นต้องเป็นผู้สำคัญจึงเรียกว่าผู้นำสำคัญทางฝ่ายปฏิบัติก็คือสำคัญทางด้านจิตใจ จิต ใ, ใจสําคัญการพุทธปฏิบัติก็สําคัญเพราใจเป็นหลักใหญ่ของการปฏิบัติแต่ใจมีหลักมีเกณฑ์การปฏิบัติย่อมมีหลักมีเกณฑ์แม้จะลอยห่อนผ่อนผันลงบ้างตามการตามเวลาก็าเป็นไปด้วยความนิ่มนวลด้วยเหตุด้วยผลไม่เป็นไปด้วยความขัดต่อเหตุต่อผลอัตธรรมเช่นเป็นทิฏฐิมานะหรือความหย่อนยานก็กลายเป็นกิเลสไปเสียทิฏฐิมานะ ว่าความเคร่งก็กลายเป็นกิเลสไปเสียอย่างนั้นมันไม่มีสำหรับจิตใจที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์แล้วย่อมลดหย่อนผ่อนผันลงได้ด้วยเหตุด้วยผลพร้อมหมดเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความให้ลดหย่อนผ่อนผันนั่นแล้วจิตใจการปฏิบัตินั่นก็ดี เข้าสู่ปกติของตนนั่นมันสำคัญอย่างนั้นเราจึงทือหลักใจเป็นสำคัญกอปฏิบัติถ้าใจไม่มีหลักก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้ถ้าใจเป็นหลักอยู่แล้ว การปฏิบัติย่อมเป็นหลักเป็นเกณฑ์สม่ำเสมอแลการแนะนาสังสอนผู้มาอยู่อาศัยด้วยอารมศึกษาด้วยก็เป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่แน่ใจได้ตายใจได้เหงื่อยึดหลักที่ท่านแนะนาสังสอนให้ปฏิบัติผู้นำจึงเป็นสำคัญมากทีเดียว เห็นอย่างพ่อแม่คูาอาจารย์นี่สำคัญมากนะมันเป็นแม่เหล็กจริงๆท่านไปอยู่ที่ไหนพระเหนหลังไหลไปถึงจะเข้าไปอยู่สำนักท่านไม่ได้ก็ไปอยู่ตามบ้านเล็กบ้านน้อยแถวๆใกล้เคียงพอไปมาหาสู่ได้เช่นวันปฏิโมกก็ามาฟังปฏิโมกและโอวาทของท่านที่นั่น อย่ามีโอกาสมากราบเยี่ยมท่านแต่ละครัง้งละครัง้งได้อุบายไปเพราะการอบรมสั่งสอนของท่านท่า น, นอบอุน่นอยู่เราะผู้มีหลักมีเกณฑ์ยิ่งท่านอย่างพ่อแม่โวจานี่เป็นผูปฏิสุทธิ์พุพโทโธเต็มที่แล้วอย่างนั้นก็ยิ่งร่มเยนม็นท่านเคยพูดวนันวโรตุนั่หละเป็นสําคัญ เพราะวันโวสวดนั้นพระมามากเนี่ยทีห้าบางทีห้าสิบหกสิบพระต่างติ่นต่างฐานมาที่แถวใกล้เคียงนั่นแหละเล่นพวกอะไรก็ติดตามมาด้วยออกจากฟ้าแล้วเวลาท่านให้รู้ว่าทา่นทานเตือนเตือนอย่าได้นอนใจ การศึกษาอัตธรรมทางด้านจิตใจนี้เป็นสิ่งสําคัญมากการเตือนสําคัญที่ผู้จะให้การอบรมศึกษาถูกต้องแม่นยําหรือไม่อเราก็เป็นวงหมู่เพื่อนกันว่าการศึกษาทางด้านจิตใจนี้ไม่เหมือนทางด้านปริยัต ต้องของจริงออกมาพูดกันว่าพูดสมาธิจิตของผู้เทศผู้แสดงผู้เป็นหัวหน้าต้องเป็นสมาธิมาแล้วพูดถึงเรื่องปัญญากับผู้อบรมถังสอนมู่เพื่อนเป็นผู้นำหมู่เพื่อนก็เป็นปัญญามาแล้วทุกขั้นเนี่ยตันว่าจงกระทั่งถึงมิมุติหลุดพ้น ผู้แนะนําต่างสอนเป็นผู้รู้แจง้งเห็นจริงเสียทุกขั้นทุกภูมิแล้วจะเอาอะไรมาสงสัยจะเอาอะไรมาผิดผูดตรงไหนก็ถูกตรงนั้นตรงนั้ น, น, นและเป็นที่ต า, ายใจสําหรับผู้มาอบรมศึกษาอะ <c ười> ท่นานว่าแล้วก็ย้อนมาเอาองค์ของท่านเองอนี่ผมก็แก่แล้วนะเ <c ười> นี่ยท่านทั้งหลายมาศึกษาเอาให้จริงให้จังนะ การแนะนำตั้งสอนหรือแก้ไขดัดแปลงทางด้านจิตใจคิดต่อภาวนานี้เป็นของยากมากนะถ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจจริ ง, จ, รงจะสอนกันไม่ได้ผู้ที่จะสอนสมถะอิปัสสนาต้องเป็นผู้เข้าใจสมถะอิปัสสนามาเรียบร้อยแล้วมไม่เหมือนปริยัตอย่างนี้ทำย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่แลนวบางครั้งถึงขนาดที่ว่าพิจูดเท่ายังไม่ตายนี่ให้ใคร มีข้อความแจอะไรเอาให้มาถามแล้วให้รีบเร่งขวนขวายทางด้านจิตตภาวนาสงสัยตรงไหนให้มาถามนะเวลาพิสูก์เท่าตายแล้วยากนะพู้ที่จะแก้ไขทางด้านจิตใจนี่นะเวลาท่านเน้นหนักท่านเน้นจริงๆเนี่ยอายุไม่ได้นานนะนี่บางทีออกมาเป็นตัวเลขเลยเราไม่ได้ลืมเหมือนสดสดร้อนร้อนเหมือนอัดเทไป ถ้าเป็นปรื่อวัตของผมแมงครูบาอาจารย์แล้วเป็ น, นอย่างนั้นนะจิตใ จ, จผมเว่าผมกล้าเขียนประวัติของท่านเท่าที่ผมได้ยินมาแล้วมันเหมือนก็ว่าไม่หลุดไม่หลุดไม่ตกไปไหนเลยมันเหมือนเหมือนเทพเจ้าของเองก็แปลกนาเจ้าของกันมันจําไปได้อย่างไง <c oughs> ถึงบอกถึงขนาดตัวเลขยังเหลืออีกเท่านั้นปีเท่านี้ปีนึอนอืม นี่กับอายุเท่านั้นแล้วนะเนี่ยยังเหลืออีกกี่ปีไม่เลยแปดสิบนะ โ, โหขนาดนั้นนะบอกอย่างตีการลงไปเลยทีเดเหมือนกับมองเห็นต่อหน้าต่อตายอยู่นี่วันจะตายตั้ทา่านก็ต้องมองเห็นตังน้งแต่นหน้านั้งแต่ที่ข้าพูดขนาดนั้นไม่เลยแปดสิบนะนี่ก็ได้ปีเท่านั้นปีแล้วนี่ตั้งแตนับไปนับไปนับข้อมือนี่ เห็นไหมมันนานเท่าไหร่นัมันนานอะไรกันวะมันก็เท่ากับสองสามวันเท่านั้นมันก็ตายกันวะหรือยังจะมานอนใจอยู่เหรือกันวะแล้วพอเริ่มป่วยครั้งสุดท้ายก็บอกเลยเที่ว่ทั้งที่เริ่มป่วยเท่านั้นแล้วบอกเลยนั่นนี่เป็นป่วยเป็นครั้งสุดท้ายของเรานะ ทั้งนี้ไม่มีหายมันเริ่มเป็นเท่านั้นแหละมันขาดไปหมดแล้วแหละอ่านว่าเหลือวจะลมหายใจมันยังไม่ขาดไอเรื่องราวอะไรที่ความสืบต่อของทานของขันนี่มันขาดไปหมดแล้วยังไงก็ต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่สงสัยเห็นไหแต่มันไม่ตายง่ายนะโรคนี้มันเป็นโรคทรมานเรียกเขาเรียวกว่าโรคคนแก่นห็นไห ไม่ตายง่ายแล้วก็เราก็นับมาอย่างีกแปดเดือนนั่นตั้งเดือนสี่ขึ้นสิบสี่ขาผมจำได้ขนาดนั้นนะท่านเริ่มป่วยรวมทั้งวันที่สิบพฤศจิกาท่านมานับภาพพศเก้าสิบสองเนเวลาแปดเดือนเหมือนกับว้าดินถล่มมาหัวใจเรานะเพราะจิตมันจอยอยู่กับท่านเท่านั้น มันเป็นแม่นเลยคอยดึงค่อยนั่นเรากินเ้าก็ตอนนั่นมันก็ชุนละมนเราเหลือประมาณตอนท่านทำน้าท่านเริ่มป่วยมาแหละกินน้องเรามันก็เริ่มชุนละมุนวุ่นวนายของมันไม่มีวันมีคืนตั้งแต่นั่งมาเลยกินเราก็ไม่ว่างเลย ท่านก็ป่วยหนักก็เท่าไรครับเราก็ยังต้องเป็นตัวตั้งตัวตีเกี่ยวกับการดูแลรักษาตลอดถึงหมู่เพื่อนที่ไปเกี่ยวข้องกับท่านเราเป็นคู้คอยให้อุบายคอยแนะนําตักเตือนเห็นเราเอียงก็หมุนติวติวติวออกจากรงจากกุฏิท่านก็เข้าทางยังกรมพอทางยกรมมาก็ขึ้นกุฏิท่านตั้งแต่มีหมายตั้งอยู่น้องผือ เรื่องทางยงออกจากกุฏิท่านกับเข้าทางยงกลมนปล่อยท่านกับปล่อยไม่ได้เป็นเรื่องสาคัญมากที่เราจะปล่อยไม่ได้แหน่หมู่เพื่อนจะมีมากกว่าตามแต่เราคอยแหน่คอยให้อุบายคอยอะไหยุดตลอดเวลานั่นแหละปล่อยเีเวลาบ้างนิดหน่อยกับเข้าทางยงกลมก็าทางยมเพราะตอนนั้นจิตมัน พิลึกพิลังมันกินที่เดียวมันเป็นน้ำมันเองนี่มันมีใครบอกใครสอนมันมีใครแนะใครนำเนี่ยมันเป็นในตัวของมันเองถึงวาลาที่มันเป็นนี่แต่เราเรียกก็เรียกว่าภาวนาเมยปัญญาอย่างว่านั้นเมอมันก้าถึงขั้นภาวนาเมญปัญญามันก็ต้องหมุนตัวไปเองเป็นตัวมิติเลือดตโนมัติ มันไม่หยุดไม่ถอยมีแต่หมุนอยู่ตลอดเหมือนกับกิเลสนั่นแหละมขาจะหมุนอะไรลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมเวลา ม, มันไม่ได้ส่งออกนอกมันอยู่ภายในนั้นพันกันอยู่กับกิเลสอาสวะประเภทต่างๆอ ย, อย่างนั้น เป็นน้ำเป็นท่ามากรูดีไม่ไม่คิดถึงกันเลยนะั้นมันแปลกนะนนนะเวลามันมันหมุนมันมันหมุนขนาดนั้นมีแต่กิเลสกับสติปัญญาพันกันอยู่นั้นแต่สมมติว่าอันนี้ขาดลงไปแล้วจิตมันก็สอบ มันขุดมันค้นหาก็เป็นงานอันหนึ่งเหมือนกันพอเจอแล้วก็เอาแหละที่นั่นแหะเจอเมื่อไหร่แล้วเป็นเป็นเอาหนักทีเดยวหรือเหมือนข้าตุลุมบอนกันเลยมันถอยไม่ได้มันไม่ถอยนี่ไม่เจิมกับค้นหาเวลานี้ผ่านไปแล้วรู้ว่าแก้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วมันค้นหามันมันค้นเองนี่นะสอกมันแสงมัสอกแสกซิกแซกมันหาเรื่องหางเรา ขึนมาให้เกิดเหตุเกิดผลไปมาให้จนกระทั่งถึงได้พบตัวค่าสุดนั่นแหละพอพบค่าสุดก็เท่ากับว่าได้งานแล้วนั่นเองเดี๋ยวมันจะมันจะคิดไปอะไรถึงไม่ต้องเวลานาทีชั่วโมงไม่ได้คิดนะดี่ะมีแต่ความรู้กับสิ่งนั้นแต่นั้นไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่รู้เหน็ดรู้เหนื่อยกินไม่ออกมาเลย มัอยู่กับนั้นไม่งั้นมันจะไปเดินได้ยังไงตั้งแต่จังหันแล้วจนกระทั่งถึงปัดขวานตอนกลางวันก็ท่านก็พักมีหมูื่อนคอยดูแลเป็นประจำเราก็ไม่ได้ไปตอนนั้นตอนค่าอ่ะตอนเวนสำคัญอยู่ในวันนงผื อ, อเราไม่ได้เข้าเวนเข้ายามกับหมูป่วนแต่เป็นผู้ ค อ, อยตรวจเวียนตรวจยามอยู่ตลอดจิตของเราก็เป็นอย่างนั้นแหละท่านก็เพียบทางขันเราก็เพียบทางจิตต่างคนต่างเพียบคนละด้านละทางในคาทงหมความพระโอวนกับท่านที่เป็นลม่มโพ ล, ล่มใส่ ิใจพันเน้นยุบยอกไปหมดพอท่านป่วยเหต่านั้นแสงสว่างก็อยู่กับท่านหมดพวกเรามนอนบนตาบอดท่านเันผูให้แสงสว่างให้ดวงตาแสดงอัดแสดงทนแงใดตรงแงใดเราคอยสำเนาศึกษาขอยึดคอยือเอาจากท่าน ท่านล่วงไปนี่โอ้ปรากฏว่าเหมือนผ้าดินถล่มแต่นะ่ะผ้านเนีนแตกกระจัดกระจายเกาะกันไม่ติดเป็นมวาทั้งสามปีสี่ปีนะแตกขนาดนั้นนละจริงมันเป็นสิ่งที่จำไม่ลืมลนะอยู่ไหนก็แตกกระจัดกระจายไปไปห้าขหูวอาจาร์ตางองต่างไปนะแตก ไปเกาะกันไม่ค่อยติดระยะนั้นไม่ติดเป็นสามสี่ปีมานี่ปู่อาจารย์ผู้ใหญ่เช่นอย่างหลวงปู่ฟ้านทั้งคืออยู่เป็นหลักท่นเนี่ยทั้ปู่ขาวก็มาอยู่เป็นหลักก็ขเข้าเกาะติดเกาะติดเรื่อยไปแล่ะสําหรับเร า, เาก็กลับมาจำบรรดานนองผือแล้วก็ไปให้สายหมูเพื่อนก็ติดตามไปนั่นตรงมากมายนะที่เราไปอยู่ในสายเดี มันก็ไปอยู่สี่ปีหัวยจอันเนียก็มากเหมันอยู่ตามบ้านเล็กมาน้อยเหมือนกันอยู่สำนักเราจริงๆมีสักสิบกว่าองค์มไม่มากที่นั่นที่หนี่ไล่เฮียงไล่หวห้มากรวงกันมากพตอนนี้จะหัวใจมาก็ยุดไปอีกเหมือนกัน้ัวใจได้ก็มาตั้งตรงนี้วัดป่าวันตัด ต้องำมาตั้งที่แรกคุณป่า น, นี้พระเน่งแต่ก่อนก็ไม่รับมากนะอย่างมากรับแค่สิบแปดองค์หลายปีตั้งแต่สอง8ันห้ารอยเก้าสิบแปด็เก้าสิบเก้ามาจนกระทั่งถึงสอง9ันห้าร้อยสิบเก้าหรือยี่สิบมีแต่สิบเจ็ดสิบปดองค์เท่านั้นไม่รับมากนะจากนั้นมาแล้วก็ค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่ม ก็พอเห็นว่าอาจารย์ท่านหลวงรับไปหลวงรับไปเพื่อนมันมีที่เกาะเราก็อันรวมลงบ้างนมนก็มากขึ้นโดยลําดับปีนึถีบขึ้นไปตีหนึ่งปีหนึ่งถีบขึ้นไ ป, ป, นปนถีบขึ้นไ ป, นไปสูงขึ้นไปเรื่อยสูงจนผิดมัผิดตาหนึ่นิกายเท่าไหร่สามจุดห้าเนี่ยเ็อย่างนั้นเลย แล้วก็ทนกัหมู่กับเพื่อนเพราะหัวใจก็อยู่กับหมู่กับเพื่อนเท่านั้นความเมตตาสงสารเพราะการดําเนินทางด้านจิตใจนี้เราเห็นโทษมาพอแล้วสําหรับเราเองเราเห็นกุค่าของครูบาอาจารย์ที่คอยแนะนําสั่งสอนด้วยความแม่นถูกต้องแม่นยำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์นี้เราลงถึงร้อยเปอร์เซ็นร้เป็นไม่มีบินเลยนะเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจึงไม่มีความหมาย อะไรที่จะเป็นความสะดวกสบายสําหรับท่านแล้วเรามอบเลยมอบเลยลงขนาดนั้นนะ ล, ลงต่อพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่ว่าตั้งแต่น้นจนกระทั่งบัดนี้ไม่มีไม่มีเคลื่อนมีไว้ไม่มีคำว่านิจจังเข้าไปเกี่ยวข้องเลยในหัวใจดวงนี้ซึ่งมีต่อท่านอาจารย์บ้านนั่นเห็นคุณทังท่านเห็นขนาดนั้นนะเห็นพ่อเห็นโทษของตัวเองที่ มันตะเกียบตะการไปไหนมันไปไม่ได้ก็ท่านเปนผู้ชุดกูลากนี่นะไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดนี่ชุดลากผมประกอบกับผมมันคนเป็นคนทิฐิว่าเขาว่าได้นะไม่ลงอะไรง่ายๆนี่ทาไม่ถึงเหตุถึงผลที่ควรลงมันไม่ลงแม้แต่องค์กับองค์ท่านเองมันก็ยังทะเลาะกับท่านกระทุกพูดทุกทะเลาะนะมันโตกับท่านไม่ถอยนี่ตอนไหนมันยังไม่ลงได้ในในเงื่อนใดอย่างเนี้ยมันจะไม่ถอยแหละ คืพูดหาเหตุหาผลหาความสัตว์ความกินเอาจนลงได้ลงแล้วมันก็หมอบลากหมอบลากเลยถ้ามันลงนั่น เ, เพราะฉะนั้นจึงมีแต่ท่า น, น่ะชุดผ ม, มชุดขึ้นชุดขึ้ น, นตรงไห น, นตรงไหนก็ชุดขึ้ น, ะ น, นจะไปลืมงนะ่้ยอย่างไอจากนั้นก็เอาเรื่องเหล่านี้เนี่ยมาพิจารณาเทียบเทียงเรื่องมือเพื่อนทั้งหลายก็ดียังทนนะนี่นะผมทน เ, ยเฉยๆนะ ถ้าเป็นตามนิสัยของผมแล้วนิสัยจะพูดทั้นิสัยหมายถึงความชอบใจนะเวลาไม่ได้ชอบใจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนมีมากมากนี่นะนิสัยของเรามันเป็นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วเรื่งความอยู่คนหนึ่งคนเดียวตั้งแต่ปฏิบัติเราก็ปฏิบัติอย่างนั้นอย่างมากกอสององค์ไปข้างหน้าแล้วก็ไปแยกกันเสียเนี่ยไปที่แรกก็ไปด้วยกันสองอ ง, องค์้นต่อไปก็ไปแยกกันคนละทิศละทางไปเสียอย่างนั้น กลายเป็นคนเดียวคนเดียวบางทีก็ไปคนเดียวเลยอย่างมากก็ไปสองสองก็มีแต่ผู้อายุพรรษาไายเดียวกันอย่างนั้นก็แบบบอกพูดกันงงๆเลยเอา้าวใคจะไปทางไหนไปนะก็แยกกันจะขึ้นเขาลูกไหนลูกไหนไปป่าไหนถ้ำไหนเอ้ยมาอย่างนั้นยังกระทั่งครูแม่ครูอาจารย์มรณภาพ ลงไปแล้วหมู่เพื่อนลุมเกาะเรานี่สิแต่ก่อนเราก็ไม่เคยคาดเคยคิ ด, ดว่าหมู่เพื่อนจะจ้องจะมองจะอะไรเราเพราะเราเคยอยู่คนเดียวคนเดียวหมู่เพื่อนก็ลุมตั้งแต่บัดนั้นมาคิดดูีิจนกระทั่งปั่นนี้แล้วมันมันเป็นของมันเองอย่างนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของเราสอะเสแสร้งฮะ ทางลำพังเราตั้งแต่หมู่เพื่อนเกาะที่แรกก็พยายามโดดปลีกปลีกตัวตั้งแต่ไม่ได้ยังไม่เรายงแม่บวชไปไหนก็หนีไปได้เก้าวันสี่วันเต็มแล้วเต็มแล้วหนีเขาป่าเขาเขาไหนกับเก้าวันสีวันเต็มแล้วที่ไปอยู่นั่นมาทางไหนเดี๋ยวมาทางไหนเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพอีกภาเลยเกาะเต็มตัวที่อย่างนี้จนมองหาตัวไม่เจอ แม่ผลแห่งการแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนเมื่อการทุ่มเทลงเต็มสติกําลังความสามารถของเรานี่มันเป็นอย่างไรบ้างไอ้ที่หนึ่งที่ทําให้เราได้คิดอยู่ตลอดการสอน่อนน้ำว่าหมดผมพูดจริงๆผมนี่หมดภูมิเลยผมไม่ได้มีอะไรลี้ลับเหลืออยู่แม้นิดหนึ่งที่ไม่ได้แนะนำสังสอนหมู่เพื่อนไม่ได้พูดให้หมู่เพื่อนฟัง พออยู่ด้วยกันมันนานแค่ไหนนานมันก็ต้องหมดพุงแหละจากินงหรือเท็จมันก็หมดเท่านั้นไม่มีอะไรเนือจากนั่งไปมเพื่อนจะตัอ้งบอุตตั้งใจปฏิบัติก็เอาธรรมพรุทธเจ้าของจิงมีอยู่อย่าระวังถึทงที่เหลือมันจเข้าเดียดหัวใจเนาะของจริงมันไม่มีที่เดลือกลายเป็นของกรินเข้ามา แทนหนวใจนั้นให้ระวังให้ดีอันนี้มันเร็วที่สุดนะที่เหลือผมจะเอาเป็นของกิงแทนหน่วใจนี้มีมากตามไม่ทันนหละ <c oughs> ของความกับของจริงมันมันมนแทรกกันไปนั่นแหละอะไรมีกิงอะไรต้องมีปลอมแทรกกันไปแทรกกันไปนี่ทำของกินโอ้จเจ้าประกาศไว้ขนาดไหนนักรูชาอาจารย์ท่านประพฤติปฏิบัติ เอาจริงเอาจังท่านก็รู้จริ ง, งจริงท่านมาแนะนาําทางสอนพวกเราเป็นยังไงเราผู้ที่จะคือการไปตามท่านมีความมุ่งมั่นขยันหมั่นเพียรขนาดไหนมีความจริงจังต่อข้อวัดปฏิบัติต่อสิ่งที่เรามุ่งหวังคืออาจคือทำตลอดถึงมรรคผลนิพพานหนักเบามากน้อยเพียงไรเราควรจะคิดจะช่าง ตวงให้พอดีพอเหมาะกับเราไม่ควรจะมานิ่งนอนใจเห็นไหมเลยนี่ครูบาอาจารย์มีที่ไหนมันจะคว้าน้ำเหลวไปแล้วนะมีแต่กรรมาฐานกวรมฐานเฉยมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะใต้มีครูมีอาจารย์คอยแนะคอยฉุดคอยล่างอยู่ตลอดนำทางจิตใจเราเชื่อมันไม่ได้นะแตเพราะอย่างยิ่งตะกี้เลศมันอยู่ในหัวใจนั้นแล้วมีตั้งแต่เรื่องที่มันจะคอยต้มคอยตุ๋นเราตลอดเวลา แล้วก็หลงไปกับมันจนได้นั่นแหละถ้าไม่มีทําแล้วมันมีครูมีอาจารย์คอยชุดคอยลากเอาไว้นีม่มันโดนก็จนยิ่งกว่าโดนเจอซะยิ่งกว่าเจอ <c oughs> แต่มันอาศัยสติปัญญานั่นแหละไม่ค่อยจะนอนใจกับมันง่ายๆอะไรอะไรก็ดีบางทีมันทำให้เรางงถึงทำมาขั้นละเอียดแล้วงจริงๆก็มีผมเองฉะนั้นก็ไม่พ้น เรื่องของสิปัญญาไปได้แล้วแล้วก็จับกันจนได้ <c oughs> อ๋อมันตายใจตายใจทุกด้านมันรู้เองปล่อยเองปล่อยเองปล่อยเองอเองท่าลงมันได้ถนัดในหัวใจชัดเกณฑหัวใจท่านบอกว่าสันติพิโกนั่นนแหละสันติพิโกแท้เป็นอย่างนั้นะไม่มีเงื่อนสงสัยมาเบื่อปนเลยไม่ว่าจะเป็นทำขั้นใดแงใดของกิเลสของธรรมมันเป็นเหมือนเป็นสันติพิโก้ประจักประจักประจักแล้วหายทงสายหายห่วงหายทุงสายไปพร้อมๆพอๆถ้าอะไรยังมีเงื่อน เพื่อแข่งสงสัยอยู่นั่นไม่ใช่สันติโตโกนะไหนจะวางให้ดีสมมุติวันเราเข้าใจว่าเราถึงขั้นนั้นขัน้นนี้ผู้นั้นผู้นี้แต่มันยังมีอะไรอะไรนี่ต่อนั่นยังไม่ถึงนะยังไม่ใช่วางนั่นเลยให้เอาผลประโยชน์ยกให้ฝ่ายไม่นอนใจเลยทีเดียวบอกว่ายังไม่ใช่นี่คือไม่นอนใจแล้วก็ไม่ตายใจเพรามัน พอตัวแล้วมันไม่ไดบอกแล้วไม่ว่าไม่ว่าจะยกผลประโยชน์ให้อะไรอแล้วมันชัดเจนจตงหัดสนติสุขสันติสสันิสุปัญญาสาคัญมากไม่มีอะไรจะเหนือปัญญาไปได้พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายคมเอากันอยู่นั่นยิ่งใหญ่มันฉลาดมากทีเดียวนะธรรมะละเอียดก็เท่าไรยี่เใหญ่ก็ยิ่งละเอียดละเอยดยิ่งต้องฝึกซ้อมสติปัญญา ไปเรื่อยๆการฝึกซ้อมมันก็เป็นงมันเองถ้าลงถึงขั้นพอกันแล้วพอฟัดพอเบี่ยงกันแล้วถ้าปบัญญากรฟิดตัวเองตลอดเหลืองมันก็ฟิดของมันจนกระทั่งมันไปไม่รอดแล้วมันถึงยอมสลายตัวลงไปจากหัวใจถ้ามันยังพอเกาะได้มันไม่ถอยแลเอาจนได้นั่นแหละเพราะง้ก็ให้มือกเพื่อนต้องตั้งใจ ทำตัวเหมือนภาคีลิว้วนักปฏิบัติเพื่ออดเพื่อทำอันสูงส่งอันเลื่อันกระเสือต้องทําตัวเหมือนภาคีลิ้วเสมออย่าไปเข้าใจว่าตนอา้ตนชาติด้านล่ะคือเรื่องของกิเลสมันชอบส น, นุกตนถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วจะไม่มีถ้ามันปรากฏ ม, มีเ ข, ขี่ยวมีเขาขึ้นมาตรงไหนว่าสำคัญตนว่าอย่างนั้นอย่างนี้นั่นละ่ะ มันขึ้นแล้วใ ห, ให้ทราบอย่างนั้นนะสติปัญญาคอยจับมันอย่าปล่อยให้มันเยืยบหัวใจเราอย่างง่ายได้ม <c oughs> <c oughs> ียิ่งยิตใจยิ่งเป็นห่ว <c oughs> งข่วนเขามากเขาโดยลำดำับลำดา ครูบาอาจารย์มองไปไหนก็ไม่จะไม่เจอแล้วนะเดี๋ยวนี้นะจะทำยังไงผู้เพืปฏิบัติยังมีอยู่มากมายผู้หวังพึ่งพิงครูบาอาจารย์ทั้งหลายยังมีอยู่มากแล้วไม่มีครูบาอาจารย์หวังพึ่งพิงได้ยังไอองเพราะฉะนั้นจึงต้องพยายามฟิดในเวลาที่ได้รับการทึลสาวมจากครูบาครูบาอาจารย์อย่ากลัวตายเถอะ เรื่องเจ็บเรื่องปวดเรื่องทุกข์เรื่องลาบากเพราะอีกการงานอื่นเราเคยทุกมาพอแล้วไม่เก็บไข้ได้ป่วยการดูแลตั้งแต่เป็นเรื่องของทุกข์เก็บไข้มากป่ว ย, ยมา ก, มากเป็นทุกข์มากเคยผ่านมาแล้วทุกเรื่องการต่อสู้กับวิเลยเอาทุกขนาดไหนเอาให้มันเห็นเหตุเห็นผลกันลงในวงปัจจุบันปัจจุบันยาฆ่ายาหมายถึงเรื่องศัจธรรมมันจะรู้ยังไงไม่รู้ยังไงไปค่าไปหมายไม่ได้นะจิตใจอ่อนแอ ภูมมีความเด็ดเดี่ยวอาหารนน่าจะรู้ในวงศาสนาเพราะความทุกขวญธนาอันนี้เด่นได้เร็วมากไม่มีที่ไปแล้วมันสู้กันปฏิปัญญาจะหมุนติวต้วติว้วติ้วเร็วที่สุดจะเอาความอยากความต้องการให้รู้อย่างนั้นรู้อย่างนี้มาสวมเข้ามาได้ น, ะนั้นนนั่คือสมุ ท, ทยัยอยากรู้อยากเห็นความจริงนั่นเป็นมัอยากับ มันเจ็ดมันสิ้นไปเแคแล้วจะได้พักผ่อนนอนหลับนั่นคือเรื่องของกิลเลส<อ>ไปคาดไปหมายไม่ได้แต่เวลามันรอบทุกขเวทนานี้มันมันเห็นจัดจิงนะศาั น, นาศาสตร์จะทำเป็นของจริงนีในอริยาศาสตร์ท่านบอกว่าของจริงสีอย่างภ<อ>าคความจําแล้วก็จําได้อยู่ของจริงของจริงอะไรจําจได้เเหมือนว่าขุนทองต่อเมื่อเด้ก เข้าตวลุมบอนกันอยูแนวโลกแนวนั้นน่ะนั่นละ่ะเช่นต่อสู้กับทุกขเวทนาในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลานั่งมากทรมานกันในเวลานั้นนั่นเราจะได้เห็นชัดเจนถ้าใช้สติปัญญามไม่ถอยหลังนะทุกข์มันเกิดขึ้นรู้เลยว่าทุกข์มันเกิดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรนั่นเพราะทุกข์ท่านบอกว่าเพิ่งกาหนดรู้มันมีแค่นั้นนะ ไม่ได้เป็นผลเป็นประโยชน์อะไรจากความกําหนดรู้ทุกนะอเพียงรู้เท่านั้นเพื่อเพื่อจะสาวข้อหาสมุทรไทยต่างหากนั่นผลจะเกิดที่นั่นนะมันเกิดขึ้นมาเพราะอะไรเช่นว่าทุกทุกแข้งทุกขาทุกกระดูกตรงไหนมันเป็นทุกนั่นนั่นค้นหานั่นแหละค้นหาสมุทรไทยแล้วนนัไอ้เรื่องทุกมันรู้อยู่แล้วเนี่ยทุกเขานี่ก็รู้ขาจะแตกหลังจะหักมันทุกมากนั่งมากมันก็รู้แต่มันไม่เกิดประโยชน์อันนี้่มัน อะไรมันเป็นทุกข์นั่นอ่ะตัวแยกหาตรงนั้นอ่ะตรงจะเกิดประโยชน์คือปัญญาโอนมาไปเถอหนังหรือเป็นทุกข์หนังมันมีตั้งแต่วันเกิดมันไม่เห็นมันเป็นอะไรแล้วทุกข์เพิ่งมาเกิดเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันเมื่อไหรวะทางว่ามันเป็นอันเดียวกันหนังมีตั้งแต่วันเกิดทุกข์แบบนี้จะต้องมีมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่ ง, งเดี๋ยวนี้ดิอย่าลดอย่าถอยลงไปนี่เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เนี่ยแล้วก็จะดับในเวลาใดเวลาหนึ่งจนได้หนังทั้งตั้งที่หนังไม่ดับนะอื เอ็นแล้วไล่ลงไปหลือกระดูกหลือกระดูกก็เหมือนกันว่าอย่างเดียวกันนี้กระดูกก็เป็นกระดูกตั้งแต่วันเกิดทุบเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้เนี่ยเอ็นก็มีตั้งแต่วันเกิดทุบเพิ่งเกิดมาเดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันได้ยังไงแล้วว่ากระดูกเจาะกระดูกว่าเอ็นเจาะเอ็นสติปัญญาเจาะลงไปตรงนั้นรู้ว่าทุกเจาะทุกแล้วกเจาะก็มาหาใจใจมันเป็นยังไงใจมันเป็นทุกอย่างนี้หรือหรือทุกเป็นใจอถ้าว่าทุกเป็นใจทุกดับปายใจไป็นทไมไม่ดับฮ ปัญญามันแทรกเข้หนังเป็นทุกข์ทุกข์เป็นหนังไล่กันไปที่ถ้าว่าทุกข์เป็นเป็นหนังเวลาทุกข์ดับไปหนังทำไมไม่ดับแล้วกระดูกเป็นทุกข์เวลากระดูกดับไปทําไมกระดูกเวลาทุกข์ดับไปทําไมกระดูกไม่ดับมันเป็นอันเดียวกันนั่ยังไงนั่นวิธีสักปัญญาวิธีใช้ปัญญาแต่ยังไม่ให้คานนะว่าครูอาจารย์ว่างเงนนั้นไม่ให้คานให้เป็นเรื่องเจ้าของอย่างในวงปัจจุบันปัจจุบัน นี่แหะท่านเรียกว่าการพิจารณาข้นกัจตธรรมเมื่อมันพ้องมันแล้วโอโ้โหมันเหมือนกับเอ้ยพูดไม่ถูกหนังกับสัต์ต่ว่าหนังมันเนื้อวอ่าเวียนมากกระดูกว่าอะไรมันมีมันมัมนจริงมาอ่มันไม่รู้ความหมายเลยนะหนังไม่ก็ไม่รู้ความหมายมันเป็นทุกข์หรืนานั่นแต่เวลาปัญญามันหยั่งเข้าไปสติหยั่งเข้าไปจริ ง, งแล้ว หนังก็เป็นหนังสักแต่ว่าหนังอยู่เท่านั้นมันไม่ใช่ตัวทุกมันไม่ทราบว่ามันเป็นทุกเนื้อก็ไม่ทราบว่าตนเป็นทุกทุกเป็นตนอะไรเนี่ยกระดูกก็เป็นกระดูกอยู่อย่างนี้ทุกก็เป็นทุกอยู่อย่างนั้นนั่นเวลามันพิจารณาไปชัดเจนมันชัดอย่างนั้นนะนั่นอ่างอันต่างจริงหนังเอ็นกระดูกอวิยวัตแต่ละส่วนละส่วนแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นของมันแต่ละอย่างละอย่างมันไม่ได้เป็นสองกับอะไร แล้วทุกข์มันก็เป็นทุกข์ของมันแต่ละอย่างแต่ทั่ละอาการของมั น, มนทุกข์ที่มันแสดงขึ้นมาอยู่ในจุดใดจุดใดอืแล้วทุกข์ก็ไม่ทราบอาการเหล่านั้นอาการเหนั้นก็ไม่ทราบว่าทุกข์ต่างอันต่างไม่ทราบกันผู้ทราบก็คือกิตผู้หลงก็คือสัญญาอารมณ์นั่นตัวนี้หลงต่างหากาหนี่แหะที่ว่าสมุทัยหลงไเวลัวคพ้นก็ไปมันก็เป็นมากชาติเข้าไปชาดเข้าไปอะไรก็จริงตามเดิมของตัวเองอยู่มันก็ น, น่าหัวเราะเจ้าของจริงมันโง่มันจะตายมันไม่รู้ ว่าสิ่งนี้มันเป็นของจริงยังไงนี่จิตทราบชัดย้อนดอ้กมาจิตจิตก็สักแต่ว่าจิตนี่ไม่ได้ไปเป็นทุกข์เป็นอะไรเหล่านั้นถ้าาว่าจิตเป็นทุกข์ทุกข์ดับไปจิตต้องดับไปด้วยสินี่จิตมันก็ไม่ดับแน่ใชว่าเป็นของจริงเป็นของอันเดียวกันได้อย่างไรนี่เรากันแยบมันมันละมูลมันแยกกันอย่างนมันหมุนติ๋วติวไม่ได้คํานึงแล้วว่ามันจะเป็นจะตายเอาทุกข์นาดไหนมันเห็นจริงกันนี่นาอะไรตายแล้วมันรู้นี่นะะ จีบมันกัดอะไรขาดสะ บ, บัน้นเมือง์นู้นกัดเพชรก็ขาดใช่าไงมเวลามันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะถอยไปได้ไเอานี้เห็นจริงเอาตายก็ตายสิอะไรจะตายอะไรจะตายก่อนตายหลังมันรู้หนินะเกิดมานี่ยังไม่เคยตายให้มันรู้สักทีหนะนัะ่นเรามันหมุนกันแล้วสุดท้ายมันก็ชดัดชัดเจนหนังก็กําหนดดูหนันงก็เป็นหนังเฉยตั้งแต่วันเกิดมาแต่เนื้อเองก็ดูก็ตั้งแต่วันเกิดมันก็เป็นตั้งแต่ันนี้ทุกนี่มันก็เกิดขึ้นดับไปก็ขึ้นเข้าไป ตามระยะมันอย่างนี้จิตก็รู้อยู่อย่างนี้หมื่อต่างอันต่างจริงชัดเจนแล้วกําหนดดูอันไหนมันก็ไม่กระทบกระเทือนกันทุกก็สักแต่ว่าทุกทีนี้เลยไม่เป็นมีฤทธิ์มีเดชเลยทุกนี่นะเพราะว่ามีอะไรมาหมายมาสัำคัญมาจับมาคลุกเคล้ากกันเฮอสัญญาอารมณ์มันมันก็ไม่หมายมันมัไม่พว้ามาคลุกเคล้ากกันแล้วมันก็ต่างอันต่างจริงเพราะต่างอันต่างจริงแล้วก็หนึ่งทุกดับ วูบลงหมดหายเงบไม่มีอะไรเหลือเหลือแต่ความกรินมันล้วนต่างอันต่างกีนนี้เฉยทุกข์ครับไปจิตก็ยิ่งสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นอย่างอัศจรรย์พอดาวไปแล้วก็จิตก็ลงของจิตอีกปล่อยกันหมดเลยไม่ทราบอะไรเป็นอะไรทราบแต่สักแต่ว่ารู้ด้วยความอัศจรรย์ของจิตดวงนั้นเท่านั้นนามหนึ่งสองถึงทุก ไม่ดับไปทุกก็ไม่มีอํานาจที่จะบังคับจิตใจให้มีความกระทบ ก, กระเทือนให้มีความบอกช้ำเหมือนยังแต่ก่อนได้เลยเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปทําร่างกายเหล่านั้นให้กําเริบเพราะความทุกข์อันนี้เลยเนี่ยต่างอันต่างจริงอยู่นั้นไม่กระเทือนกันทีนี้นี่หนึ่งเนี่ยการบิหนรารอบพ่อเป็นอย่างนี้มีอยู่สองอย่างนั่นแหะแต่จิตนั้นมันหักอัศจรรย์นะพราเมื่อรอบตัวเองทุกอย่างแล้ว ไม่มีอะไรเข้าไปแทรกตัวเองแล้วตัวเองก็ไปไม่ไปหลงอาการสีทั้งสารทั้งสี่อย่างหรือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับตัวนด้วยแล้วมันก็อัศจรรย์จิกนี่การพิจารณาสัจธรรมทีนี้ไม่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่าสัจธรรมกินอย่างนี้เหรอมันักอัศจรรย์ตัวเองว่าโอ้โหสัจธรรมนี่กินอย่างนี้เหรอทุกขสัตว์มันกินกันว่าทุกเป็นของจริงหนึ่งกิงอย่างนี้เถอเหรอเถอเหรือนั่นืออขง ทุกไม่เป็นอะไรกับไข่นันล่ะมเป็นบ้าเฉยๆคือว่านั้นไม่ได้ว่าเป็นถูกความสําคัญมันหมายซึ่งออกจากสมุทัยนั่นเนี่ยมันไปสําคัญมันหมายหลงพอรุ่นแล้วมันรอบตัวของมันแล้วมันปล่อยเป็นระยะระยะอย่างนี้นะอืมจงการปล่อยนี่ไม่ใช่มันปล่อยโดยสิ้นเชิงตลอดไปนะมันปล่อยในช่วงนั้นเวลานั้นให้เข้าใจในเวลานั้นแยกกันในเวลานั้นเป็นทุกข์สัตย์อริยสัตว์สี่เป็นของจริงในเวลานั้น มันต่อไปมันก็เหมือนกับน้ํำใสๆที่จอกเหนีมนยมไหลก็ปกคุมผู้หมอตามเดิมนั่นแหละห้างมันความเชื่อนั้นเราได้ฝังลงไปแล้วได้เห็นชัดเจนแล้วว่าความจริงเป็นอย่างนี้ที่จริงๆนั่นทีนี้ก็มีสติกําลังมีสติปัญญามีกําลังวังชามีแก่กิจแก่ใจเป็นแม่เลยดึงดูดความเพียนทั้งหลายมาจะเอาเห็นจริงอย่างนี้เรื่อยๆไปจนกระทันน่งถอนได้โดยสิ้เนเชิงนั่นนิาทานว่าอาจะทําเป็นของจริงจิงอย่างนี้ ทุกมันก็กินมันขมุทยมันก็เงียบไปเลยอืมมากกะรู้ยี่รู้กว่ารู้มันดับทุกนี่หลักนี้ได้แล้วนั่นเวลาพิจาราวันต่อไปมันยิ่งขยับใหญ่เลยมันไม่ถอยนะอืมอย่างที่ผมเคยพูดให้ฟังผมนั่งตลอดลุ้งมาตั้งโอ้ตั้งเก้าคืนสิบคืนแต่ไม่ได้ซ้ำกันนะ ไม่มีคืนใดแล้วกล้าพูดได้อย่างนี้เลยว่าพลาดไปวันนี้นั่งตลอดรุ่งเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยไม่มีเลยนั่นเพราะอะไรเพราะการนั่งนี้ตั้งแต่หัวขัม้มจนตลอดรุ่ง ม, มันจะไม่เกิดทุกขเวทนาอย่างไรแล้วมันจะไม่ต่อสู้กันอย่างไงแล้วต่อสู้มันจะถอยกันได้ย่งไรมันเคยลูกเคเห็นอยู่นี่นั่นแหละมันยิ่งขยักใหญ่เลยมันถอยไม่ได้ว่างอะไรแล้วมันก็ถึงจริงถึงจริงแต่เราจะไปอุบายเก่ามาพิจารณาไม่ได้นะ อันนี้สํำคัญมากนะเป็นอุบายสติปัญญาไนงะที่เราเคยได้พิจารณาพิแปลงเปลี่ยนแปลงงนะให้เกิดอืมสติปัญญาหรือให้ได้ถอดได้ถอนกันจนกระทั่งถึงในรู้สิ่งเหล่านี้ว่าเป็นของจริงแต่และอย่างอย่างนั้นเราจะยึด อ, อุบายเหล่านั้น <S <S มาเป็นเครื่องสอนให้มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้นะเออแล้วแต่อุบาย ม, มันเกิดแต่อุบายที่เกิดขึ้นโจโฉร้อนๆมันจะไปพาดไปพิงไปซับไปซ้ำกันก็ตามถ้ามันเป็นประโงปัจจุบัน บ, นบนุปัจจุบันมันก็ใช้ได้ มันเป็นอุบายใหม่ทั้งนั้นหาใหม่หาใหม่หาใหม่หมดในวงปัจจุบันปัจจุบันไม่ใช่ไปเอาของเก่ามาใช้มันก็เป็นสัญญาไปแล้วนั่นไม่ทันไม่ทันทุกอย่างเลยมันต้องเป็นอุบายของสติปัญญาที่ผิดที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ถึงจะซ้ำของเก่าก็ตามมันเป็นวงปัจจุบันมันเป็นของใหม่ของมันมันก็แก้ยุทธ์ซึ่งเป็นวงปัจจุบั น, นได้เหมือนกันมีสําคัญมากเราจะไปะหาขา้าวหาหมายวันนั้นเอาแช่นี้มาใช้ได้มันนี้ทําไมไม่เห็นได้มันจะได้แล้วมันเป็นสัญญาไปแล้วนี่ต้องเอาปัญญาก็เอา วงปัจจุบันเขาไปใช้มันจะเกิดเวลามันจะเกิดยังไงก็าตามมันจะไปซ้ําของเก่าก็ตามถ้ามันเป็นปัจจุบันขึ้นสดสนร้อนร้อนตัวเองแล้วใช้ได้ใช้ได้ใช้ไ ด, ได้แก้ได้เรื่อยเรื่อยไปงึงกล้าพูดว่าเราไม่เคยพลาดนะนั่งข่าวไหนก็ข่าวนั้นแหละเอาได้เห็นความอัศจรรย์ทุกครั้งเลยจ้ามันยังได้กล้าถึงเรื่องแบบ อ, อะไรจะตายหนาหว่ามันไม่มีอะไรตายนี่พิจารณาหมดแล้วะ มันถึงขั้นนั้นธาตุที่ดนั้นมันไปเวลาพิจารณาไปแล้วมันสลายไปแล้วมันก็เป็นจริงของมันของมันมันไม่เห็นมีอะไรตายจิตนี่เหลือตายจิตดวงที่ว่าตายมันยิ่งเด่นเอาอะไรมาตายมันเด่นเด่นมันยิ่งเด่นเหรอเวลานั้นน่ะอือธาตุมันกระจายไปหมดแล้วเหลือแต่ความรู้ล้วนๆอยู่ภายในตัวเองแล้วมันยิ่งเด่นยิ่งกว่าเวลาธาตุขันครอบตัวเองอยู่เวลาที่เรายังไม่ได้พิจารณามันเวลาพิจารณามันแยกธาตุยาขันออกไปแล้ว ทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วลงถึงดินถึงน้ำํำถึงลมถึงไฟกระจายตัวไปแล้วความรู้นี่เป็นความรู้นี้ล้วนแล้วมันยิ่งเด่นมันจะตายได้ไงนี่มันก็ชัดเหมือนี้อ๋อมันมีอะไรตายมันกโกหกกันนะัอนวันยังนั้นแต่มันรู้ด้วยตัวเองนั้นสิทำมาคุณเจ้าเป็นอย่างนั้น น, น, น, น, นะถึงจะแก้กิเลสได้นะไม่ใช่ว่าจะจํามันจากโน้นจากนี้อะไรถึงจะจําจากกูบาอาจารย์แบบก็เป็นแนวทางต่างๆส่วนเจ้าของที่จะ ทำให้เกิดที่มีเจ้าของต้องเป็นเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งเงื่อนหนึ่งของอุบายสติปัญญาของที่จะผิดขึ้นมาคิดขึ้นมาให้เป็นสมบัติของเจ้าของมันต้จะแก้เกล่เจ้าของได้นะอือันนี้เป็นแนวทางที่ครูอาจารย์สอนจำมอาไว้เฉยๆเป็นแนวทางแต่เวลามันเป็นหน้าที่ของตัวเองแล้วมันเป็นเรื่องตัวเองที่จะผิดจะค้นขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างให้เป็นวงปัจจุบันให้เป็นสมบัติของเจ้าของแล้วแก้เกลี่ยเจ้าของได้เป็นผลขึ้นมาในขณะนั้นจะไม่ี กัอนเราก็หวังพึ่งกอาศัายตันยิ้งทองเนี่ยโอนก็ได้พูดวิธรรมา ก, กันแล้วทางด้านจิตใจเราคนแน่ใจแล้วถึ ง, งพูดกันในฐ า, านะลูกศิษย์ก็อาจารย์เลยบอกนี้เวลาผมตายแล้วมอบศพให้ท่านยิ้งทองนะตับถ้าท่านตายผมไปเผาศพเองะถ้าผมตายมอบศพให้ท่านนะไม่ได้มอบให้สุนทรีจุลภาแล้วมันยุ่ง เอาเผาโยนลงตรงไหนโยนลงเลยนะอ่าหลวงท้องมันยุ่งจริงๆนะคนตายแล้วนี่หนะักอ่าจะก่อเหตุก่ อ, รกอรเรื่องอยุ่งเหยิงบุบบายมากทีเดียวนะโศปันนี้นะ่ะว่าท่านเอาไปเลยนะ้ามาผมมอบให้ท่านแล้วเอาเลยเวลาท่านตายผมก็จะเผาเลยให้เลยนะแล้วก็จะจริงอย่างนั้นท่านตายใครมายุ่งผมได้มเมื่อไหร่ผมเอาได้เลยนะ่นะเห็มนมไหมอุบคุลก็เป็นลูกศิษย์วัดนี้ทั้งนันนน้นท่านทิงทองท่านอุบาุล เป็นผ้าของผมเป็นพรผ้าวัดผมออกจากนี้ก็ไปอยู่นั่นเคยอยู่ด้วยกันมาเท่าไหร่ท่านยิ้มทองอุปะคติดสอยห้อยตาม่งเป็นพิ่งตายกันมานานแสนนานเนี่ยผมไม่ลืมนะท่านยิ้มทองมีคุณต่อผมมากมายอย่นะพุบะคุลลองกันลงไปหมุ่นกันอย่างท่านโตเพียนเหลนเหมือนกันนะโตเพนเหล่านี้เคยมีบุมีคุณต่อกันนะผมไม่ลืมนะอะไรที่เอยมันสังลึกตหัวใจเราไม่เหมือนหัวใจไข่นะ ฟังอะไรฟังนึกจริงๆไม่ได้หลอดไหลเวลาเท่านั้นผมก็เป็นประจำการเองทุกสิ่งทุกอย่างสงบเรียบร้อยบอกว่าเวลาตั้งแผมตายก่อนเนาะท่านเผาเนาะเผาผมจะทาไมก็ทาเลยนาะอยากรอยุ่ๆนๆมาเข้ารื่องยุๆมา้าาทลายความสงบนะก็พรไว้ใจท่าน ทางด้านจิตใจท่านดีดีมากนั่นคือเราเราฟังทุกแง่ทุกมุมตั้งแต่ขั้นสาคัญมันก็นมีสองขั้นการมรรคะกับอวิชชาเป็นสำกันนั่นพูดเรานี่ถูกจ้องทั้งสองเลยถ้าท่านไม่เป็นท่านพูดไม่ถูกเนี่ยเราจับไว้ตรงนี้นะธรรมะอันนี้ไม่มีในในคัมภีร์ อืมท่านก็บอกไว้ถึงแต่ว่า อ, อ, อะไรในขั้นนั้นมีอย่างนั้นนั้นสังโยชน์อย่างนั้นสังโยชนอย่างนั้นเช่นโฉน า, าละสังโยชน์ได้สามอนาคารละสังโยชน์ได้ห้ามึงก็่างแต่วิธีมันล ะ, นนนละอันั้นมันละยังไงนั่นสชมันไม่รู้นี่ถ้าไม่รู้แล้วมันจะพูดถูกได้ยังไงนี่แหละแทสําคัญกันที่นักปฏิบัติถามกัน ไปหาคนไหนก็บลังพูดเจ้สาทุ่เราไม่ได้ประมาณนะไปหาคนกังพีไหนกัคนที่ไหนไอเคล็ดลับของธรรมประเภทเหล่านี้นี่อ่ะที่ที่ว่าท่านว่าไว้ในตำรานั้นว่ากัญญาณปุญชนไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้พระโสดาบันไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระจิตทาคาได้พระจิตทาคาไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาของพระนาคาได้พระนาคาไม่สามารถที่แก้ปัญหาของปรญหาได้จะแก้ได้ยังไงมันมีเคล็ดมีเคล็ดมีเคล็ดอยู่นั่นประจําผู้ปฏิบัตินั้น มื่ปฏิบัติลงไปไตรงไหนตรงไหนมันรูู้ตรงนั้นตรงนั้นแล้วแล้วคำพีไหนไม่มีนะ <c oughs> แต่มันรู้ในนั้นเป็นของจริงเนี่ย <c oughs> นั่นแหละรู้อย่างนั้นเอามาพูดพูดถูกแล้วพรุงนี้ก็รู้ทอนนั้นก็รู้พูดกันปั๊บได้ความจริงจีเลยนั่ น, นไม่ใช่จี่พูดแบบสุ่มเดาได้โอ้โหได้เมื่อไหร่หลักปฏิบัติต้องของจริงต้องเอาของต้องพูดออกมาได้อย่างจริงจังถูกต้องแม่นจัง ความจาเป็นอย่างหนึ่งความจริงเป็นอย่างหนึ่งความจริงที่ประจักษ์ในเจ้าของผู้ปฏิบัติมันเรียกว่าความจริงจริงอย่างกรรมาราคะท่านพูดได้โดยถูกต้องออืผมซักเขาจยงแหลกเพราะเป็นลูกศรผมนี่ยเราเลาฟังชัดว่าท่านเล่าท่านรู้เล่ากัานไปอืมถูกต้องแล้วก็ไปถึงขั้นท้ายกันกับพูด จำแปลท่านบอกท่านก็ท่านก็ยอมรับว่าท่านไม่มีขณะแต่เวลาสมมติว่าถ้าไม่มีขนาดนะกับผู้มีขณะผลเลยออกไปจากนั้นมันเหมือนกันนะ่ะนี่ที่มันแปลกตรงนี้ที่ทำไมมันไปนเหมือนกันได้ทั้งนี้ไม่มีขนาดผู้กับผู้มีขณะเลยจากจากขนาดนี้ไปแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นผู้ไม่มีขนาดมันก็เป็นอย่างนั้น น, ะนี่ยิ่งทําให้เราปีนะ่า สุขาวิปัสสกสุขาวิปัสสูท่านจะเป็นอย่างนี้ลําังทําให้กินแต่ส่วนมากก็ต้องเป็นขณะมันถึงทราบแล้วกันได้เช่นอย่างอาองค์นั้นสําเด็จอยู่ในเขาลุมนั้นอยู่ในป่า น, นั้นอยู่ในทางโยมตรงนั้นตรงนั้นเวลาทอนนั้นทอนนี้อย่างนี้เช่นอย่างพระนอนุนก็อริยบทสี่ว่ายู่ไม่ไเดินไม่นั่งไม่นอนไม่ได้กันนั้นอยู่ในย่านกล า, างท่านกําลังเองื้อมลงไปจะลงมอน ต้อบรรลุธรรมที่ตอนนั้นคือจิตมันเป็นมัธรรย า, ายาถไปถึงในปาราสจากความมุ่งไม่ว่าท่านจะมุ่งท่านจะท่านจะบรรลุธรรมหรือท่านจะตัดสู้ตัดสูตดส้ตามที่ทรงพยากรณไว้ท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์ท่านลืมโลปัจจุบันยเยอะท่านเอานั้นมาเป็นอารมณ์มากกว่าพอปล่อยพกักจิตก็เข้าลงปัจจุบัน พ, รรพักรู้ทันทีเลยนะคือปล่อยอะไรพูดง่าย เพราป๋าปาอะไรลกิตก็อยู่ในวงมัธยัตยหมายมาสูญจางไม่ยึดอะไรไม่อะไรเลยอาบตรงตรงนั้นเลยสาเร็จนอียบที่นะี่ยเป็นขนาดมากมีแต่ว่ามันจะเป็นแบบเดียวกันหมดท่านทำไมท่านจะพูดไว้ว่าสุขคลายประสบเตวิชโชเชลัพินโยไปสัมปิทัปปะตัวนีทำให้เราคิดนะตอนนี้ตอนเอาท่านทึ้งพามาเป็นเหตุนะแต่ก่อน ม, มึงก็ไม่คิดไคิด เพราะชักกันกระตั้นหนึ่งสองชักไปแล้วชักไปแล้วท่านไม่มีท่านท่านไม่มีขณะแต่ว่าจากที่เวลาพูดออกมาในจนสุดท้ายของท่านมันโกงเงนกับผู้ที่มีขณะก็ะตามมันก็เป็นแบบเดียวกันนี่ที่ทำให้เราเร า, เราข้ามไม่ได้ความจิงของท่านที่พูดออกมาแล้วยอมรับก็มีถึ ง, งไม่ขนาดท่านก็บอกมันไม่มีขนาดค่อยหมดไปหมดไปหมดไ ป, หมดไปเลย แ้วทีหาอะไรมันก็ไม่ได้เรื่องเลยหล่าถ้าเราพูดเราแบบคุ้นเอยทั้งนี้ยก็เป็นอย่างนั้นเลยแล้วอะไรอะไรออมามันก็เหมือนถ้าว่าจะหลงอะไรมันก็เหมือนทําหลงเชีย้ยนแล้วแกลงหลงมันก็รู้ว่ามันแตลงหลงเชี้ออเราเองนี่ยมันเป็นความถูกต้องถูกต้องมาพูดนีะน่าฟังตรงเนี้มันทําให้คพิจนาถึงเติ้ว่า ว่อ ห, หลายประเภทขาปัสโคตวิจโจะลปินโยป ร, ะสะริสัมปิทัปโตมีหลายประเภทอย่าง ข, ข้าวปัสะโคน้มนรูอย่างแห้งแล้งไม่มีความรู้อะไรต่างหากหรือไม่หรือ ม, มีขนาดแล้วค่อ ย, อยเหินแท้งไปดยลำดับๆนั้นเราก็ไม่ทราบได้ที่พอจะมาจับเมื่อนนี้มา พิยนาเขดังที่ท่านยิ้มทองพูดนั่นเรายอมรับทั้งทั้งที่ท่านมากว่าไม่มีขนาดเขตามแต่ผลสุด่ท้ายมันก็ไม่มีอะไรทจะค้านท่านได้หนึ่งที่พูดเรื่อ ง, องเพื่อนก็วางเงินทองหนึ่งที่จะเป็นผู้นํำของคณะการแนะนําสั่งสอนจะถูกต้องแม่นยำในการวิปฏิบัติ แล้วควาวัดปฏิบัติของท่านเขาถึงเลยนะท่นก็ดีนะ น, น, นีที่ไหนดลล่ะนี่ท่พูดีึคอยนั่นก็เท่ากับแกะไว้ซะมากซะมากอย่นี้องหลับ เ, เ, เอาเกียไม่ได้หลวงปู่คำดีก็ไปซะแล้วเนี่ท่า น, นก็แก่อยู่แล้ว ลุงปู่ขาวเราก็ไป่ันเป็นหลักใหญ่ที่สุดแหละลุลงปู่ฟันนะไปกันนี่แหละหักใหญ่จริงๆพระท่านนน้สอนไม่ผิดเนี่ยสอนธรรมปฏิบัติตั้งแต่ต้นจนสุดยอดท่านนนี้ไม่ผิดสอนรู้ปู่ฟันรู้ปู่คําดีลุงปู่ขาวสอนไม่ผิดถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต้อเปอร์เซ็นตีตั้งก็ไปได้ไดทําไม ลแลงตีเหลนก็เวลานี้ใช้งานอะไรไม่ได้แล้วเครื่องมือท่านคือขันท่านก็มิจะนอนช่วยลมหายใจก็นั้นนี่แต่ใช้งานไม่ได้แล้วแล้วขึ้นท่านด้วยอุบายนั้นอุบายนี้เหมือนแต่ก่อน <c oughs> ก็พึ่งมาได้แล้วเดี๋ยนี้เนี่ยตามเลยหนึง่งควรตงหนึ่งควต้องหกต้องใจ อย่าตื่นเต้นกับโลกกับสงสารมีเรื่องเกิดกับตายเท่านั้นนี่เท่านั้นไม่มีอะไรมากยิ่งกว่านี้นะดูเเถอ ะ, จะเจริญมากมาก็แล้วก็เจริญมันเมื่อสอวันดาห์เรบินถมบานในหมู่บ้านเราพูด้สมน้องสาวจุดท้องเราอีเถิงอ่ะแม่เบิ่มเราไม่เคยพูดกับมันเลยล่ะคิดดูดิบินถมบานแล้วเ่ยเคยพูดอะไรกับมันอ่ะไม่ทราบแต่ไหนแต่ไรหมาเป็นอย่างนั้น มันนั่นเราทาให้เราพอมองเห็นมันปะมันสะดุดจิตปิดยับขึ้นมาเมันลอยืนสบัดมันยืนรอสบายอยู่ไปก็เลยถามมึงเห็นไหมเดือนนี้วะมึงเบื้งนูนหนึ่งกูบวชมันแต่ก้อนมึงบวชเกิดมึงเกิดเดือนที่สองกูบวชเดือนหกก้อนนู้นหกเดือนกูก็เ่าตอนนี้มั่ยมึงเถาเมื่อไงยังไงวะมึงจํำได้ป่ว่าจําได้ยูแม่บอกว่าฟังเหมือนเราแต่จังคอยรับบาศมันมาก มันทาำหะเราคิดอย่างนี้มันมนี่เท่านั้นนะดูสิคำพูดมันมาเขวามาเัินนะมันแก่ขนาดแล้นท่านท่านหลายดูสิใครจะจาได้น้องสาวผมนั่นแหละมันเกิดที่หลังผมหกเดือนผมบวชก่อนมันหกเดือนมันเกิดอย่างนั้นมีอย่างนั้นในโลกอันนี้เที่ยวอาหมดมันเกิดแล้มตายเกิดแล้วตายความสําคัญมันหมายไปตามกิเลสอา มันกวนก็วหวมันไม่ดีนผู้จะตายช้าตายเร็วมันเกิดคือมันจะตายอยู่ดีดีนวันคืนปีเดือนกันี้แมือกับแจ้งมันมีอะไรแปดกต่างอย่างนี้ไปไม่มีละเอาละม่พอละอุ้แปลกคอแห้งละ